วันนี้สุกขอเล่าถึงที่ได้มาคุยกับหลภาพ่อสอบถามท่านถึงการขอพิสูจว่าที่มาเห็นนิมานท่านไม่ได้นึกจะไปที่เห็นตัวเองท่านไม่ว่าอะไรก็รู้ว่าเรามันดื้อที่สงสัยท่านว่าเอาสิยาพิสูจน์ก็ข้าพเจ้าจึงอธิษฐานว่าถ้าเห็นนี่เข้าใจข้าพเจ้าคิดเองแล้วก็ขอให้ภาพนี้หายไป คอขอเห็นได้ก็ต้องหายได้เหมือนกับที่เราเคยคิดอะไรให้เห็นก็เห็นถ้าไม่คิดให้เห็นมันก็ต้องไม่เห็นด้วยปรากฏว่าพอมองมาอีกทีหนึ่งเห็นตัวเองมารอปอย อ, อยู่หน้าประตูวิมานท่านมองเข้าไปเห็นนั่งท่านนั่งหัวเราะอยู่ข้างในท่านว่ามันหายเหมือนกันแต่แกหายไม่ใช่วิมานท่าน กราบท่านว่าเป็นข้อพิสูจน์กาลังใจของหนูด้วยเจา้าค่ะท่านไม่ว่าอะไรเพราะเห็นว่ามีความสงสัยก็ถามถามด้วยอยากรู้ไม่ใช่มาลองกันเล่นๆเนขาจตเจ้ามากราบสมเด็จองพระพุทธกัสสกกราบถามท่านว่าเวลาหลวงพ่อทําพิธีอะไรท่านเสด็จมาทีไรบางท่านรู้สึกรักรสัมผัสแบบ ปดหัวหรือหนักๆที่หัวแต่หนูไม่รู้สึกอะไรเลยนอกจากรู้ว่าท่านเสด็จท่านว่านั่นเป็นลักษณะของเขาเธอก็เป็นของเธอพ่อเธอเองเวลาท่านมาก็ไม่เห็นเขาหนักอะไรนึกเธอต้องการให้หนักอย่างเขารีบกราบทูลท่านว่าไม่เจ้าค่ะท่านตรสสงเคราะห์ว่าเอาใจใส่ดูเวลาพ่อเธอไว้นะ จำที่ท่านสร้างไว้เอาไว้เจริญรอยตามสังขารท่านแย่เต็มทีอีกไม่นานมันเพียนนะลูกนะหนังสือทุกเล่มยังเป็นประโยชน์กับเธอเก็บรักษาไว้วันนี้ตอนบ่ายๆพวกลูกๆมาส่งพ่องพ่อที่สถานีรถไฟหัวลำโพงท่านโกสังข้าจจนนาทีสุดท้ายใครสังเกตบ้างว่าภาพที่หลวงพ่ อ, อยืนที่ห น, น้าต่างรถไฟ ยิ้มมาที่พวกเราซึ่งนั่งคุกเข่าพนมมือนั้นหมุนกับภาพอะไรตอนสอง น, นาทีก่อนรถไฟออกข้าพเจ้าเดินลงรถผ่านการ์ดรถคนหนึ่งเข้าคุยกันว่าคณะอะไรวะจะไม่ทันได้ยินเสียงเพื่อนเขาตอบใจข้าพเจ้าก็ตอบไปเองว่าก็คณะพระพุทธเจ้าน่ะสิวันอาทิตย์แรมสิบสามข้ามเดือนเก้า วันนี้เปิดเทพหลวงพ่อที่ท่านขึ้นพระกรรมฐานรู้สึกจิตน้อมได้ดีกระสินแสงสว่างที่จับก็มีประกายนิ่งสดใสเป็นพิเศษจิตคงจะเบามากเพราะเมื่อคืนฟังเทพไปจนหลับเป็นกลางดึกสามครั้งตื่นครั้งหนก็เปิดฟังทุกครั้งวันนี้ตื่นตีสามครึ่งขึ้นพระกรรมฐานเสร็จก็ตีสี่พอดีรู้สึกเหมือนอยู่ในวัดท่าซุ้ เริ่มกำหนดระสินความจริงไม่คิดจะเล่นเกสินอะไรแต่ตั้งแต่สึนัมมะคัทะเป็นต้นมาใจก็อยากจับแต่ภาพกรกสินดวงนี้เพราะเป็นการดูจิตของตอนไปด้วยวันไหนจิตเราขุนภาพระสินก็ไม่สดใสเท่าเคยก็รู้ว่าเราขุนเขาอะไรวันนี้พรอขึ้นมากราบสมเด็จองค์ปถมยังไม่ทันที่ข้าพเจ้าจะทูลท่านว่าอะไรก็ได้ยิน เสียงท่านตรัสว่าดูก่อนภิกษุน้อยเธอจงพูดเป็นผู้มีความภาคเพียในการสร้างปรมาธรรมนี้เถิด้าไปเจ้าอึ่ไปสักครู่ข้าไม่ทันเข้าไปเจ้าจะกราบขออนุญาตลายท่านท่านก็ตรัสมาดังนี้จงกล่าวได้แค่สาธุแล้วลงมาชั้นจาตุ๋เลยดูกำลังใจมันเอิบอิ่มไม่มาเลยไม่กลัวอะไรทั้งสิ้น นึกแตกใจอยู่หน่อยที่ท่านเรียกภิกษุน้อยจะถามท่านนั้นมันไม่กล้าแน่ๆลงมาท่านจ่าตุเห็นท่านเยกสุวรรณยืนเด่นก่อนองค์อื่นแล้วจึงเห็นอีกสามองค์พอมาถึงท่านท้าทศท่านก็พูดอีกว่าท่านชื่อกุเรปันแล้วท่านก็ยินท่านคงขันที่ข้าพเจ้าต้องมากราบถามหลวงพ่อด้วยความกลัวและใจหายว่าทําไมชื่ององค์ที่สี่จึงเป็นกุเรปันไม่ใช่ท้าทศร ถามกี่ทีกี่ทีท่านก็ยืนคำเดิมจึงต้องมาถามหลวงพ่อหลวงพ่อว่าก็ชื่อเดิมเขาสิเห็นชื่อเปลี่ยนเลยนึกว่าของจอมแล้วไอ้ที่หมาหลวงพ่อว่าอย่างนี้หลวงพ่อว่าด้วยส่วนวันก็เป็นเพียงตำแหน่งชื่อเดิมเขาก็มีเลยอายชืย่อจบแยเ้าวันนี้นึกว่าเป็นไงก็เป็นการโดยหลวงพ่อด่าและหายข้องใจดีกว่าแขงใจไปไม่ได้เรื่อง วันนี้ขอท่านท่านทั้งสี่ดูเทวดาและวิมานเท่าที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นด้วยเห็นอาจารย์ทับก่อนใครกายสวยขุ้มแต่ก็ดูไม่อิ่มเอิบนะักบอกว่าจะคอยช่วยเหลือเห็นวิมานที่สวยมากหลังหนึ่งเธอเป็นนางฟ้ามีบริวารมากเธอให้เห็นกายเมื่อเป็นมนุษย์เป็นสาวพม่ามีฐานะดีหน้าตาซื่อๆเย็นๆเธอ คอยช่วยอุปการะเลี้ยงดูเด็กยากจนและการเลี้ยงดูก็ให้ความอบอุ่นอย่างดีเป็นคนมีจิตเมตตาเธอเธอให้เห็นภาพตอนตายนี่ถูกฆ่าตายมันมากันในบ้านเข้ามาฆ่าในบ้านมากันหลายคนเรื่องขัดผลประโยชน์กับพ่อเธอมองเห็นบ้านเธอแล้วไม่ใช่บ้านเฉยๆเหมือนเขาเรื่องหาดมากกว่า วิมานหลังถัดไปเป็นสมัยเป็นมนุษย์เธอชื่อใหญ่แป้นทำบุญถึอศีลฟังเทศทุกวันพระเห็นเป็นคนอยู่สวนผิวขาวผมหยิกนิดนิ ด, นดเธอว่าไม่ได้ไปทำบุญที่ไหนมากไปก็ไปวัดใกล้บ้านไม่ได้แต่งงานวันที่ตายโดนงูกัดตายด้วยบุพกรรมปางก่อนพอมาถึงวิมานหลังนี้นึกถึงท่านแม่อยากให้ท่านพาเที่ยวนึปุ๊บท่านก็มาทันที ท่านที่ไปที่วิมานหลังหนึ่งให้เข้าไปใกล้ๆเห็นนางฟ้านางหนึ่งท่านเห็นเห็นท่านแม่เธอทักว่าท่านแม่เจ้ามาโปรโ ด, ดถึงแดนนี้เลยเจ้าคะท่านว่าลูงฉันขอชมหน่อยนะจ๊ะมองไปเห็นเธอกําลังคยี้อะไรข ย, ยุกข ย, ยุยเข้าไปใกล้จึงเห็นว่ากําลังเด็ดก้านมาไมไ้ออกเธอเล่าว่าสมัยเป็นมนุษย์เธอเป็นคนมีฝีมือในการทําดอกไม้ บุชาพระั่งคิดช่างประดิษฐ์เมื่อโดนไฟครอบสายใจประวัติไปถึงหน้าที่นี้ว่าใครจะทำแทนเธอได้มาอยู่บนนี้คือรับหน้าที่เป็นผู้จัดหาดอกไม้ถวายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแทนชาวเทศขันจาตุทั้งหมดถามเธอว่าบนนี้ทำไมจึงมีดอกมะลิหนักหลาบเหมือนในเมืองมนุษย์เธอว่าเพราะความตั้งใจจะทาถวายต่อเธอจึงได้มาทาเหมือนเมื่อเป็นมนุษย์ทุกอย่าง วิมานหลังต่อมามีความงามน้อยที่สุดหลังเล็กและสีกายก็คล้อยดูไม่สุดสว่างเท่าใดนะักแต่ว่าสมัยเป็นมนุษย์เธอทำบุญบำเพ็ญภาวนาแต่จิตใจแคบไม่ชอบเขา้าหาใครเอื้อเฟื้อใครคาหวังว่าตนทำบุญแล้วผลบุญก็น่าจะเกิดกับตนอยู่แล้วจึงไม่เคยชักชวนแนะนำใครทำบุญเลยตอนตายก็ตายคนเดียวด้วยอาหารเป็นพิษ อยู่บนนี้ทําหน้าที่เล็กๆน้อยๆไปเรื่อยๆอันสําคัญก็ไม่ได้รับบัญชาเทวดาองค์ต่อมาท่านแน่ชี้ให้ดูว่าคนนี้เคยฆ่าหมูตายแต่ตายไปแล้วก็ยังได้มาเป็นเทวดาเพราะเหตุใดท่านเล่า ว, ว่าสมัยเป็นมนุษย์เป็นชายชาวจีนมีพ่อเมียและลูกเล็กๆอีกสามคนเป็นตระกูลยากจนเลี้ยงหมูขายแต่ไม่เคยฆ่าเอง แต่มีอวันหนึ่งเกิดพายุพัดบ้านเรือนทางเสียหายต้อง อ, อพยุตามกันมาหาอาหารก็ลำบากเพราะกลายเป็นถิ่นทำกินไม่ได้ไปเสียแล้วสงสารพ่อเมียและลูกโดยเฉพาะพ่อกำลังไม่สบายเลยตัดสินใจจะฆ่าหมูเอามาประทังกำลังกายให้พ่อแข็งแรงขึ้นก็รู้ว่าเป็นบาปจึงอธิษฐานไปว่าถ้าจะเป็นบาปกรรมอันใดแล้วข้าพะเจ้าขอรับเองแต่ผู้เดียว พอประกอบอาหารให้พ่อเสร็จไม่นานท่านก็ถูกฟ้าผ่าตายเป็นสายไหมกลางลำตัวเหมือนที่ได้ฆ่าผ่าท้องหมูแต่ด้วยอานิสงส์แห่งความกตัญญูต่อผู้บังเกิดกล้าวทำให้ได้มาจุติบนสวรรค์ขณะที่ข้าพเจ้าเห็นภาพขนลุกสู้ไปหมดเพราะบังเอิญหมู ต, ตัวนั้นเป็นตัวที่เคยเร่วมเวนกันมาด้วยแรงกรตัญญูทาให้เข้าจับเอาตัวนั้น เพราะฉะนั้นผลกันจึงไม่เกิดหากล้างกันไปหรือแต่ตัวบุญคือแรงกับกตันอยูก่กตะเวทิตาหลังจากจบเครื่องคาริงิมคนนี้ข้าพเจ้าก็เปลี่ยนไปชมทิวทัศน์แทนเห็นวิมานเยอะแยะไกลสุดลูกหูลูกตามองไปไม่เห็นมีขอบเขตมองไปทางไหนก็พบแต่แสงระยิบระยับท่านแม่พามาว่าพระที่พระจุลามณี ของปุกปานท่านเตือนว่าคราวนี้ไม่เป็นไรแต่คราวหลังมากราพักเด็กก่อนนะลูกนะจึงกราบขอขอมาท่านความจริงหลวงพ่อท่านก็สั่งมาแล้วเรียกว่าเพลินไปหน่อยขึ้นไปแล้วใจมันสั่งโดยอัตโนมัติเวลาจะไปไหนมันก็รวดเร็วใี้เกินกว่าจะทันห้ามได้ข้าพเจ้ามากราบสมเด็จองคปัจจุบันเห็นนักสนิทท่านสวยงามท่านโสดให้เห็นเป็นพระภิกษุ ท่านโสดัดแคกแขกพระเมตตาคมแต่แววฉายไปด้วยความเมตตาถ้าใครเคยสังเกตแววตาหลวงพ่อเวลาท่านนั่งเฉยๆหรือพระรูปท่านที่บ้านท่านจะกลมลอยสายลมแล้วไม่ผิดกันเลยท่านโปรดว่ามันศึกษาเข้ารูปต่อไปจะแจ้งเองมากราบพระพุทธกัสสกวันนี้ท่านไม่ตรัสอะไรพระพุเจ้าก็ไม่กล้ารบกวนท่านลยลามากราบหลวงพ่อ พอดูวิมานหลวงพ่ออย่างสว่างไสวเท่าที่เป็นจริงเพราะเท่าที่ข้าพเจ้าเห็นรู้สึกว่ายัางไม่เต็มที่ท่านก็ทําให้ปรากฏสว่างเหมือนแสงของฟ้าแลบแต่ทรงอยู่อย่างนั้นเป็นเวลานานเท่าที่ข้าพเจ้าจะเห็นหลวงพ่อว่าวันนี้อย่างที่ทําถูกแล้วแต่ไม่ต้องไปตั้งเวลาไว้ก็ได้แล้วแต่กําลังจิตของเราจะไปแค่ไหน วันนี้ก็เอาแค่45นาทีก็แล้วกันข้าพเจ้าลืมตาดูตีสี่45นาทีพอดีเลยแล้วกลับมากราบหลวงพ่อใหม่ขอไปนั่งในริมานของตัวเองบ้างเห็นสว่างแต่เทียบกันกับที่หลวงพ่อท่านได้เห็นของท่านแล้วเราดูมือขวาไปถนับตามันไม่เป็นประกายพลิกแต่สว่างเหมือนเวลากลางวันเจ้าสึกสว่างมากตอนที่ท่านปลุกเตือนอะไรเท่านั้น าตอนนั้นความรู้สึกมันเบาเป็นที่สังเกตว่าเป็นลักษณะเดียวกับอารมณ์ที่เราจับนิมิตเสถียรถ้าใจมันเกาะอะไรเพียงนิดเดียวกว่าจะให้นิมิตสายเป็นตักายเพลิใช้เวลานานแต่เวลาไหนจิตเบาๆบางทีนั่งๆคุยกันอยู่นึกจับปุ๊กก็ได้ทันทีตอนก่อนจะเข้าวิมานของตัวเองเ ห, เหมือนศาลาเล็กๆลออยู่ด้านหลังถัด บ, บ้านเราไปนิดหนึ่ง ศาอา น, นี้ก็เป็นเช่นเดียวกับศาลาทั่วๆไปคือไม่มีผนังกำแพงอะไรมีหลังคาและเสาแต่ถึงจะมีแค่นั้นก็ดูแซวขาวไม่แพ้วิมานบนนั้นเหมือนกันนึกในใจว่าเอ๊ะของใครนะเขายังต่อเติมไม่เสร็จได้ยังไงจะว่าเป็นของเราก็ไม่ใช่เพราะของเราก็ยังอยู่ไม่หายไปไหนนึกถามในใจจบก็ปรากฏให้รู้ว่า พวกเธอทาบุญกับหลวงพ่อท่านเอาไปสร้างอะไรพวกเธอก็ได้ผลตามนั้นถึงได้นึกออกว่ารูปร่างขนาดไม่ผิดอะไรกับสาราท่า น, น้ําที่เชื่อสารารวมน้ํำใจพระโยคาวจรเลยนึกถามท่านว่าถ้าพวกหนูขึ้นมาพักที่นี่มันจะพักหมดห้วยเจ้าพะพอดูแลนิดเดียวท่านว่าขึ้นมามากเท่าไรความก้างกว้างใหญ่ก็มีให้เท่านั้น เพราะอย่างนั้นตอนนี้จริงเห็นเล็กเท่าเขาจริงแรเพราะยังไม่มีใครขึ้นไปหลวงพ่อท่านเมตตารู้ว่าพวกเราติดกันเป็นครวนถ้าขึ้นมาคงมาสังสรรค์กันเหมือนปกติเมื่อกราบถามหลวงพ่ออตอนหลังเมื่อออกจากสมาธิแล้วท่านว่าเข้าใจคําว่าพยโยคาวจรไหมคือใครก็ได้ถ้าขึ้นมาถึงขัง้นบนแล้วมีสิทธิขึ้นไปพักได้ ทา้งผู้ที่ไม่ได้เข้าคณิพานก็มาพักได้พักคุยกันได้แต่ว่าจะมาอยู่อยู่ไม่ได้เมื่อเข้าไปเจ้าได้ขึ้นมาแล้วก็เหมือนกับได้เห็นเจตนาอันเปลี่ยนไปด้วยเมตตาของหลวงพ่อที่มีต่อลูกหลานอย่างนี้พวกเราถึงติดตาม ท, ท่านแจกเพรรู้ว่าท่านไม่ทิ้งเรานอกจากเราจะไม่สนใจให้ท่านช่วยเท่านั้นตัวเข้าไปเจ้าเองก็เหมือนกันแต่ก่อนหลวงพ่อสอน ว่าพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งมันก็รู้อยู่แค่สุขแต่ตอนหลังนี้ถ้าเมื่อได้ขึ้นมาเห็นได้พระเมตตาของหลวงพ่อทำให้รู้สึกตัวว่าถ้าจิตเราเลวแค่นิดเดียวก็อย่าหวังเลยว่าจะได้มาอยู่เพราะบนนู้ทุกสิ่งทุกอย่างบงสุดจริงๆความรู้สึกเหมือนว่าหาผงสักจุดหนึ่งก็ไม่เจออย่างนี้แล้วมานลกเทียบกับตัวเองว่า เรายังเกอะฝุ่นไว้หนาหลายฟุตถ้าไม่พยายามสลัดให้สะอาดหมดจดแล้วจะหวังขึ้นมาสลัดอบนนี้นั้นอย่าหวังคิดแล้วเราก็กลัวว่าจะได้ชื่อว่าแด้แต่ยืนมองเข้ามาครองก็ไม่ได้แต่ถึงอย่างไรก็ขอเอาเวลาก่อนตายนี้สลัดฝุ่นสินเลยให้ออกไปบ้างเท่าที่จะทำได้มากน้อยแค่ไหนก็จะพยายาม วันจันท์ที่12เดือน14ข้ามเดือน9ตรงกับวันพระเมื่อคืนครึ่งหลับครึ่งตื่นเหมือนกายในเราออกไปข้างนอกแล้วก็เวลาล้มตัวลงนอนนี่เหมือนมีสองกายซ้อนลงไปฝันเห็นหลวงพ่อท่านถามว่าเห็นท่านนั่งอยู่แล้วมีวเพื่อนๆนั่งล้อมๆกันท่านถามข้าพเจ้าว่า ไช้หรือที่เห็นท่านเป็นสมเด็จองคปถมน่ะตอบท่านว่าใช่เจ้าค่ะท่านก็ยังย้ำอีกว่าใช่แน่นะรับคำท่านว่าใช่เจ้าค่ะท่านว่าเอาใช่ก็ใช่ตังจากความฝันแล้วก็คิดว่าสงสัยจะเป็นเหตุการณ์ในอนาคตเพราะข้าพเจ้าอธิษฐานว่าเหตุการณ์ใดอันจะพูงบังเกิดขึ้นเกี่ยวเมื่อได้เข้าไปเจ้าแล้วขอเข้าไปเจ้ารู่้เหตุการณ์นั้นได้โดยไม่ต้องกำหนดจิตแม้แต่ประการใด แล้วก็เปิดเทป ฟ, ฟังไปจนหลับตื่นเี๊สี่ตื่นปี3 4สามสี่สิห้านาทีทนทุระเสร็จปี๊สี่ตั้งใจจะทำสมาธิตอนสดมนเลยรู้ว่าวันนี้จิตเราไม่โปร่งเบาหาสาเหตุไม่เจอเลยต้องโทษเอาว่าเหนื่อยเพราะกลับจากต่างจังหวัดแล้วนอนไม่พอเพราะสมาธิไม่ทรงเลยจับกระสนเหมือนเคย ก็ไม่เห็นเป็นปร่างกายเพราเห็นว่าก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเลยคิดว่าวันนี้ถ้าจะขอนอนทําสมาธิดีกว่าหลับก็หลับไปเลยสรุปผลว่าไปๆกลับๆไม่ได้เรื่องได้เรามาพอจับได้สักเครื่องหนึ่งรู้แต่ว่ากลับสมเด็จองค์ตถมแล้วมองไปมองมาเห็นหลวงอามหาอัมพันธ์ท่านเดินถือไม่เท้าโค้งตัวมาเดินตรงมาหาพ้าพเจ้าท่านยิ้มเหมือนมาบอกอะไรสักอย่าง ว่าท่านรู้ที่ข้าพเจ้าไปไหนๆได้ลักษณะต่อมาก็คล้ายเค้มพูดเรื่องโน้นแล้วกระโดดมาเรื่องนี้เหมือนได้ยินใครมาคุยอยู่เป็นหลายๆพวกแล้วเรานั่งฟังกลุ่มละนิดละหน่อยตอนฟังมาเข้าใจเข้าดีทีเดียวแต่พอรู้สึกตัวจะนึกให้ออกว่าเมื่อกี้เขาพูดว่าอะไรกันมันแปลเป็นไทยไม่ออกอาการแบบนี้เกิดกับข้าพเจ้ามานาน เคยถามเพื่อนๆก็ยังไม่ได้รับคําตอบเคยระวังเคริบเคใกล้จะหลับทั้งนั่งหลับหรือนอนหลับก็ตามจะต้องได้ยินเสียงใครคุยกันบางทีนั่งทํางานตอนกลางคืนดึกๆขณะกํำลังรู้สึกงงแต่เราฝืนจะทํางานก็เหมือนเราไปคุยกับใครอยู่รอบๆข้างคุยกับเขาบ้างฟังเขาคุยบ้างรู้สึกสนุกรู้เรื่องกับเขาดีแต่พอรู้สึกตัว หาคนนั้นยังความรู้สึกงเหมือนกับว่าเขาอยู่ใกล้ๆอยู่แต่เพลืนตามไม่เห็นเขาใชแล้วแล้วก็ไม่รู้ว่าพูดเรื่องอะไรกันมันคล้ายๆลืมไปรู้ว่ายังไงก็ไม่ทราบตั้งใจว่าจะตึกมากราบถามหม น, น, นึ่นงพ่อวันอังคารที่สิบสามขึ้นหนึ่งข้ามเดือนสิกราบสมเด็จโอกระถมแล้ววันนี้เห็นพระวรกายท่านแพรวคาวชัดเจน ข้าพเจ้ตรงมาที่พระจุรามณีลาภพระพุทธกสุขท่านได้เห็นเป็นแบบภิกษุวิชพานรงสีสวยสดราบถามท่านถึงความรู้สึกที่ข้าพเจ้าเมื่อจะเห็นหรือได้ยินตอนเพิ่มเพิ่มท่านว่าเห็นก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินจะไปใส่ใจกังวลใจอะไรต่อไปเจ้าจะเข้าใจเองข้าพเจ้าก็การาบลาท่านเมื่อท่านตรัสแค่นี้ วันนี้ที่พระจุลามณีแห็นหลวงสู่ปานแลหลวงพี่วิชาด้วยหลวงพี่วิชาท่านนั่งขัดกับหงปู่มาประมาณหกที่เหมือนท่านนั่งในดอกบัวแต่ดอกบัวนี้เป็นดอกบัวสีใสๆบางๆเหมือนทํำด้วยแก้วแต่มีประกายเป็นทองผสมเพชรท่านนั่งยิ้มทีแรกหลับตาพอเข้าไปแก้าเข้าไปกราบใกล้ๆท่านถึงลืมตายิ้มยิ้มไม่ได้พูดอะไรบอกท่านว่าบางทีหนูจแวะมาที่วัดท่านเสาหน้าท่านก็ยิ้มอีก เลยคิดว่าเราถ้าจะมารบ ก, กวนท่านใชแล้วเพราะไม่เห็นท่านพูดอะไรเลยในลาท่านมาวันนี้เห็นพระมากพระมามากท่านนั่งเลงกันเงียบๆไม่เห็นท่านหันมาคุยกันเลยเริมนึกแต่ว่าท่า น, นั่งเฉยๆท่านก็คุยกันได้อแล้วข้าพเจ้าตรงมาที่ดาววดึงด้วยความกระเฟยกระเป่ามารู้สึกคล่องในแดนนี้อาจเขารู้ว่ามาหาท่านแม่ก็ได้ ท่านแม่พามากราบท่านแม่สีเห็นนางฟ้ามาดูกันเยอะเราเลยตีนสนิทวางตัวตามสบายเหมือนอยู่ในวัดบ้านของตัวเองท่านแม่จิตพามาดูวิมานหลังหน้าเห็นท่านเป็นเทพประบุสมัยเป็นมนุษย์ท่านเป็นนักสร้างท่านโชว์ผลงานให้เห็นเป็นยอดมนดอกสวยท่านไม่ได้บวชพระเคยตบวชเนรแต่ชอบสร้างท่านว่าท่านทําบุญตอ้ตอนแก่นิเองไม่เคยบาําเพ็ญภาวนา ได้แต่ฟังเสียงธรรมะจากพระท่านเทศเป็นประจำเทพธิดาที่มีวิมานสวยมากหลังหนึ่งท่านว่าท่านเป็นหมหสีของหลวงพ่อองค์ที่เจ็ดสิบเก้าสมัยท่านเป็นมนุษย์ท่านได้เห็นแต่งการดอกชาวบ้านนุ่งโจงกระเบนเหมือนสมัยสียุทธยาในถึงโอกาสถามท่านถึถงหลวงพ่อด้วยกันว่าตัวท่านเองนับว่าโชคดีที่ได้มาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี ว่าคุณเจ้าเป็นผู้มากด้วยบุญทานทําอะไรใจกว้างเลี้ยงทหารเลี้ยงคนเลี้ยงพระอยู่เสมอท่านแม่เองก็ได้ช่วยอย่างโมทนาไปด้วยจึงได้รับผลบุญเกือบทั้งหมดที่ท่านทําท่านว่าหลวงพ่อสมัยนั้นเป็นนักปกครองที่ดีด้วยท่านสร้างความสามัคคีให้เกิดด้วยการชี้แจงความสามารถพิเศษของพัญญาแต่ละคนให้ส่วนรวมรู้เห็นทุกคนต่าคิดว่าตนต่างก็เป็นคนสําคัญของท่าน อันนี้ท่านฉลาดมากท่านแม่พูดแล้วก็ยิ้มชมว่าวิมานท่านแม่สวยท่านว่าขอแม่จิดเขาก็สวยจ้าท่านว่าท่านจะลงมาพร้อมกับท่านแม่สีท่านแม่ให้ดูบริเวณรอบๆดูแล้วก็เหมือนชั้นจากรตุก็เห็นไปสุดลูกหูลูกตาเหมือนกันแล้วท่านชี้ให้ดูนางฟ้านางหนึ่งพอเข้าใจล้เห็นปุ๊บตูท่านแตก พอนั่งหันหลังให้ผมยาวแตดูไม่เรียบเป็นขยุกขยุยรู้สึกเหมือนจะไม่ใช่นางฟ้าข้าพเจ้าก็เลยขอดูท่านใกล้ๆพอเธอหันมามองข้าพเจ้าสีหน้านั้นไม่ใช่สีหน้าของคนสบายจะเป็นสีหน้าของความหวาดระแวงตาลูกๆกลัวๆยังไงก็ไม่ทราบท่านแม่ว่าเธอใกล้จะหมดบุญจะต้องไปลงไปเกิด ท่าแม่พูดแค่นี้แต่ข้าพเจ้าคิดว่าถ้าไปเกิดธรรมดาก็ไม่น่าจะต้องตกใจเสียใจถึงอย่างนั้นแต่ท่านแม่ก็ไม่ได้บอกอะไรท่านแม่ว่าเมื่อเธอมาอยู่ที่นี่เธอเพอดอตรองรูตัวไม่สนใจฟังธรรมปฏิบัติธรรมความดีไม่คิดสร้างเพิ่มพอหมดบุญเธอจึงต้องไปสวยผลกรรมชั่วตอนนี้เธอเริ่มรู้ตัวแล้วข้าพเจ้าถามท่านแม่ว่าจะช่วยเธอได้ไหม ทนแม่ว่าพระพุทธเจ้าก็ช่วยไม่ได้ถ้าเธอประมาทมากที่ขึ้นมานี่ก็ช่วยมาแล้ววิมวที่เพิ่งมีขึ้นใหม่หลังหนึ่งท่านแม่พามาดูท่านเจ้าของวิมานเล่าว่าเป็นชายชาวกาญจนบุรีทําไร่ทําสวนมีจิตใจเมตตาแต่ทําบุญน้อยก็ไม่ค่อยได้ไปไหนอยู่ตามลำพังตอนใกล้าตายตั้งใจจะยกที่ทํากินของสนถวายวัด แต่ก็ได้แต่ตั้งใจมาตายเช่นก่อนเห็นผลกรรมชั่วร้ายแรงไม่เคยติสร้างฆ่าสัตว์เป็นอาหารบ้างแต่ส่วนน้อยช่วยสัตว์ตกทุกได้ยากเสียมากกว่าตอนตานี่ตายอย่างสบายเพราะไม่เป็นกังวลเรื่องที่ดินใจมันอยากถวายวัดตั้งใจไว้นานแล้วอาท่านแม่ก็พามาเดินชมสวนนันทวัน ท่านว่าแต่ก่อนที่นี่ลองเคยมาเดินเล่นกับแม่คงลืมไปแล้วแต่เราเองก็รู้สึกสบายเนื้อสบายตัวเมื่ออยู่บนนี้ดูเหมือนจะถนนหนทางอะไรดูมันจะคล่องแคล่วเวลาเดินไปไหนสองข้างทางที่เดินไปมีดอกไม้ดอกเท่าบานชื่นเต็มไปหมดเห็นมีแต่ดอกเ้น้ลเตีดเด้ยๆคลดอกดูเบาบางแต่เวลาลมพัดก็ไม่เหัวเขา ท่านว่าการลงมาทะล้องห่มร้องไห้จะตามพ่อกองเงาเป็นทุกเศษท่านให้เห็นภาพด้วย <reflections> เห็นตัวเองนั่งคุกเขา่าพนมมือไ ป, อไปร้องไห้ไปพร้อมกับชี้ท่ามลำทันว่าพ่อเขาลงมาแล้วตอนนั้นเห็นตัวเองใส่ผ้าสีเขียวคงเป็นนางฟ้ากระจอกกระจอกนางหนึ่งกระมังขากลับได้มาท่านแม่ <của però> <c oughs> สีอีกครั้งท่านว่า เธอขันอาสาเข้ามาหรือนักอาสาเลยนะเธอนะ่ะแม่ฝากบอกลูกๆทุกคนด้วยว่าพวกเธอมาจากดาวดึงกันแทบทั้งสิ้นลงมาแล้วอย่าให้เสียไปถึงแม่ได้ว่าลกด์ลูกให้มาตประกรรมลำ บ, าบล่าปลายต่าๆพี่ๆไม่ได้สร้างอะไรเพิ่มเติมเลยทุกคนสัญญาว่าจะไม่ดื้อดึงกับพ่อเขาจะลงมาแล้วมึมกันหมด เพาะความดื้อรั้นมันฝังอยู่ในกระดูกไม่ใช่ติดอยู่ที่ผิวเนื้อวิธีแก้ความดื้อรั้นให้หายคือตัดความถือตัวถือตนเนื้อถ้ายังนึกว่าฉันสวยกว่าฉันดีกว่าฉันสบายกว่าฉันขาวกว่าฉันดากว่ายังมีคําว่ากว่าอยู่เมื่อไหร่ก็ยังแสดงว่าพวกเธอยังละสังโยชน์ข้อแรกไม่ได้เลยแล้วจะข้ามไปข้อไหนตัวนี้สําคัญมากนะลูกนะ ความนา้อยใจความทะนงตนก็เกิดเ้ราะยึดสักกายทิฏฐิและท่านก็หันมาบอกข้าพเจ้าว่าการกระทําของลูกครั้งนี้เพิ่มปุจสน่ารู้นะเจ้าอาสาอย่างนี้มาหายชาติขอให้พ่อใช้เถอะคราวนี้เท่ากับช่วยพ่อเข้าด้วยนะแต่ยังไม่ว่าเราดีเราพิเศษแต่ห <c oughs> ยุดเสียแค่นี้ไม่ได้ <c oughs> พอท่านสอนเราจบเราก็กราบตาท่านถามท่านว่าท่านสั่งมามาก ผนฉันเกรงว่าออกจากสมาธิแล้วจะจําไม่ได้เหมือนท่านว่าท่านบอกว่าเอาเถอะแล้วก็จําได้เองแหละพอจะมาบันทึกจริงๆมันก็จําได้จริงๆซะด้วยขอจบตอนนี้ก่อนคือหลังจากนั้นก็มากราบหลวงพ่อที่มารท่านอันนี้จะขอบันทึกรายละเอียดในคราวหน้า เธอจะต้องการให้หนักเสียงเขา ร, รีบปราบทูลท่านว่าไม่จะค่ะท่านโปรดสงเคราะห์ว่าอจาจจใส่ดูลีลาพ่อเธอไว้กจำที่ท่านสอนท่านสร้าเอาไว้แล้วจะเดินอลอยตามวันนี้อยากพ่อเกล้อพ่อมากลอกโซ่ท่านที่วางที่สายนี้ฟังเสียงว่างงว่างๆท่านโปรดสงเคราะห์จนนาทีสุดท้าย ใครสังเกตบ้างว่าภาพที่หลวงพ่อยืนหันหน้ายืนที่หน้าต่างรถไฟยิม้มมาที่พวกเราที่นั่งขบพนม ม, มืออยู่เหมือนภาพอะไรถ้าคิดไม่ออกข้าพเจ้าจะบอกให้ก็ได้ว่าคำสุขข้าพเจ้าตอนนั้นเหมือนพวกเราเป็นสาวกได้เฝ้าพระพุทธเจ้า